เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีสาวญี่ปุ่นคอขาดเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20ิบกว่าปีที่แล้วกลางดึกของคืนนั้นฝนตกรินรินเด็กๆอย่างเราก็เข้านอนไปแล้วเหลือเพียงแต่แม่ ยายและคุณตายังนั่งเหลาไม้ไผ่ที่ใช้เป็นด้ามไม้ลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวกันอยู่หน้าบ้านซึ่งการเหลาไม้ไผ่นี้เป็นอาชีพเสริมของบ้านเราในตอนนั้นบ้านของเราตั้งติดอยู่กับถนนสายหลักเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอแม่เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขับมาแต่ไกลสมัยนั้น รถบิ๊กไบย์หาได้ยากมากๆเป็นธรรมดาของผู้ชายที่เวลาได้เห็นหรือได้ยินเสียงก็มักจะเหลียวมองคุณตาของเราก็จะเงอคอขึ้นรอจะมองตอนที่รถแล่นผ่านไปจากนั้นก็มีเสียงโครมเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มลงพร้อมกับเสียงกรีดร้องของผู้หญิง ครู่เดียวรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่เป็นต้นเหตุของเสียงก็ถลายมาเกือบจะถึงหน้าบ้านเราพร้อมกับร่างผู้ชายที่ตัวไม่ใหญ่ไม่เล็กพอรถหยุดนิง่งทุกอย่างก็เงียบลงมีเพียงเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ยังคงติดเครื่องอยู่คุณตาของเราด้วยความที่เป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรจึงสั่งกับแม่และยายว่ารออยู่นี่นะ เดี๋ยวจะไปดูสักหน่อยคุณตาก็เดินฟาสายฝนที่ตกโปรอยออกไปที่เกิดเหตุแม่ของเราก็มองตามไปเห็นชาวบ้านแถวนั้นถือไฟฉายบ้างตะเกียงบ้างออกมากันสามสี่คนเสียงผู้คนพูดคุยกันก็เริ่มดังขึ้นบางคนพูดว่าเป็นคนแถวบ้านเราบางคนพูดว่าไม่น่าจะใช่ รู่เดียวตาเราก็กลับเข้ามาแต่กลับไม่พูดไม่จากับใครแกรีบเดินขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านเข้าที่นอนแล้วนอนห่มผ้าคลุมโปงยายกับแม่เราเลยตามขึ้นไปดูแกตัวสั่นและเย็นไปหมดแม่เห็นท่าไม่ดีเพราะปกติแล้วคุณตา ก็เคยไปดูศพของคนที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนเส้นนี้มาหลายครั้งก็ไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้แม่ก็เลยฝากให้ใหญ่ดูเรากับพี่สาวและตาเอาไว้แล้วเดินออกไปดูเองพอไปถึงที่เกิดเหตุกลิ่นคาวเลือดมันคละคลุ้งไปทั่วบริเวณพื้นถนนตรงนั้นเปลี่ยนเป็นสีแดง สภาพของรถบิ๊กไบค์ไม่ได้พังยับเยินอย่างที่คิดไว้ร่างของผู้ชายที่คาดว่าน่าจะเป็นคนขับขาข้างหนึ่งถูกรถทับอยู่อีกข้างมีแผลฉีก ข, ขาดบริเวณต้นขาชนิดที่ว่าเกือบขาดออกจากตัวเลยหน้าบ้านเราขึ้นไปหน่อยจะเป็นโค้งซึ่งโค้งนั้นไม่ใช่โค้งที่ลึกมากแต่เป็นโค้งยา ว, ยาว มีราวเหล็กกั้นโค้งสุดจากราวกั้นโค้งมีร่างหญิงสาวคนหนึ่งลักษณะเป็นผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวจัดนอนคว่าหน้าแต่ไม่มีศีษะแม่เดินไปเกือบจะถึงตัวศพก็ต้องหยุดเพราะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเหยียบอะไรบางอย่างอยู่จึงก้มลงมองก็ได้เห็นศีษะของสาวคนนั้นอยู่ใกล้ๆ ที่แม่เหยียบอยู่คือหางเบียร์ของเธอแม่ตกใจสุดขีดถอนเท้าขึ้นแทบไม่ทันด้วยลักษณะของผู้หญิงที่แม่เห็นมันคล้ายกับน้องสาวคนเล็กของแม่ทำให้แม่จาเป็นต้องดูให้แน่ใจจึงเดินอ้อมไปดูหน้าตาของหญิงสาวผู้โชคร้ายคนนั้นแม่บอกว่าหน้าตาเธอดูเหมือนคนหลับไปเฉย รอยขาดอยู่ห่างจากคางเธอลงมานิดเดียวลักษณะการขาดเหมือนคนเอามีดทื่อๆมาหั่นแบบย้ำๆคนแถวนั้นสันนิฐานว่าขอเธอหน้าจะครูดกับที่กั้นโค้งจนขาดศพเธอคงจะไม่น่ากลัวเลยถ้าหัวกับตัวไม่ขาดออกจากกันเพราะหน้าตาของเธอสะสวยรูปร่างผิวพรรณก็ดี ถึงจะไม่ได้จ้องมองอยู่นานแต่ภาพนั้นก็ยังติดตาแม่มาตลอดพอรู้ว่าร่างนั้นไม่ใช่น้องสาวของตัวเองตามที่กลัวไว้ในตอนแรกแล้วรถกู้ภัยกับตำรวจก็มาถึงแล้วแม่จึงกลับเข้าบ้านมาเช้า ว, วันรุ่งขึ้นแม่พาเรากับพี่สาวไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านประจำลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นคนในระแวกนั้นแน่นอนว่าประเด็นที่ถูกพูดถึงในเช้านั้นเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อคืนแม่ก็ร่วมพูดคุยกับเขาด้วยจับใจความได้ว่าผู้ชายเป็นลูกของคนมีสตางในตําบลข้างๆที่แม่ก็รู้จักดีปกติเขาทํางานที่กรุงเทพแต่วันนั้น กลับมางานแต่งเพื่อนพาแฟนสาวชาวญี่ปุ่นมาด้วยขณะเกิดเหตุไม่แน่ใจว่าเมาหรือขับเร็วเกินไปทำให้แห่โค้งอย่างที่เห็นส่วนผู้หญิงคงไม่ต้องพูดถึงเพราะคอขาดกระเด็นส่วนผู้ชายนั้นตอนที่กู้ภัยมาถึงก็ยังมีลมหายใจอยู่แต่พอนำไปใส่เปลเตรียมจะเคลื่อนย้ายไปโรงพยาบาล กลับหมดลมหายใจไปดือด้อก็เหมือนกับตายคาที่นั่นเองพ่อแม่ของผู้ชายที่เสียชีวิตจะมาทาพิธีเชิญวิญญาณในวันนี้ช่วงสายๆซึ่งก็เป็นไปตามนั้นพ่อกับแม่ของคนเสียชีวิตได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญวิญญาณลูกชายให้กลับบ้านตามความเชื่อของคนไทยชาวบ้านหลายๆคนก็ไปรุมดูเขาทำพิธี ตามประษาไทยมุงปรากฏว่าญาติผู้เสียชีวิตสามารถเรียกไปได้แต่วิญญาณของผู้ชายเท่านั้นส่วนสาวญี่ปุ่นที่มาด้วยญาติญาติของฝ่ายชายไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของเธอจึงไม่ได้เรียกเธอกลับไปด้วยตกกลางคืนคืนนั้นยายและตายังนั่งเหลาไม้ตามปกติหมาก็หอนเป็นระยะระยะ ซึ่งยายกับตาก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะปกติหมาก็หอนแบบนี้อยู่ตลอดแต่แม่กลับรู้สึกกลัวแปลกๆอาจจะเป็นเพราะภาพที่เห็นยังติดตาอยู่จึงขอตัวไปนอนก่อนไม่นานตากับยายก็เข้ามานอนตามกันไปในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับก็ต้องสะดุ้งตื่น เพราะเสียงร้องโหยหวนคล้ายกับเสียงเด็กหรือแมวร้องแงแงสลับกับเสียงร้องฮือๆพี่สาวเรากลัวจนร้องไห้ส่วนเรายังเด็กมากๆอายุประมาณสามขวบกว่าๆเลยไม่รู้เรื่องอะไรเสียงร้องครวญครางดังขึ้นต่อเนื่องจนเกือบชั่วโมงจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นปังปังปัง เป็นเสียงชาวบ้านที่อยู่อีกฝากถนนยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการตอบโต้เสียงนั้นก็เงียบไปพักหนึ่งแต่แล้วก็กลับมาร้องไห้ควรวญครางอีกเป็นแบบนั้นอยู่หลายเดือนชาวบ้านในระแวกนั้นได้ยินกันทุกคนจากที่กลัวก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นรำคาญทุกๆุกคืนกลางดึกจะได้ยินเสียงยิงปืนบ้าง ประทัดบ้างจนไม่ไหวจะต้องเอากระป๋องน้ำอัดลมหรือกระป๋องกาแฟใส่ลูกหินเอาไว้เวลาได้ยินเสียงก็จะปาออกไปที่ถนนแถวๆที่เธอเสียชีวิตแต่ความเหี้ยนของเธอไม่ได้มีแค่นั้นเวลามีคนขับรถผ่านตรงนั้นตอนที่ฟ้ามืดไปแล้วเธอมักจะสรรหาสารพัดวิธีจหลอก มีอยู่รายหนึ่งเป็นคนต่างอำเภอขากลับจากทุระเป็นเวลาเกือบเกือบทุ่มเจอเธอยือนโบกรถอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าข้างถนนเห็นว่าเป็นสาวหน้าตาดีกลัวจะเป็นอันตรายก็เลยอาสาจะไปส่งแต่พอเข้าไปถามไทยว่าเธอจะไปไหนเธอกลับไม่ตอบพลเมืองดีเลยคิดว่า พาเธอไปส่งที่ป้อมตํารวจใกล้ๆคงจะปลอดภัยกว่าพอชวนขึ้นรถกลับไม่ขึ้นไม่หือไม่อืออะไรทั้งนั้นลุงแกเลยจะขับกลับไปป้อมตํารวจที่เพิ่งผ่านมาเพื่อให้มาช่วยเจรจาพาเธอไปส่งบ้านทีพอขับออกมาแกมองที่กระจกมองหลังยังเห็นร่างของเธอชัดเจนแต่เธอไม่มีหัว เลยหยุดรถแล้วหันกลับไปมองก็ปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วแกกลัวมากถึงขนาดที่ไม่กล้าขับรถกลับบ้านเองเดือดร้อนตำรวจต้องขับไปส่งตรงช่วงรอยต่อของอำเภออีกคนที่เจอเป็นเพื่อนของพี่ข้างๆบ้านเขามักจะตั้งวงเล่ากันเป็นประจํา แล้วจะชอบเดินมาฉี่ที่ต้นมะขามยิงเยื้องมาทางหน้าบ้านเราแกเห็นผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่บนต้นไม้แกมองขึ้นไปก็รู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่คนแต่ด้วยความเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แกอุทานสั้นๆไปว่าสวยวะแล้วก็ไม่ได้พูดให้ใครฟังทีนี้พอแกกลับบ้านแกก็ขับรถยนต์กลับแกบอกว่า พอพ้นเขตตำบลบ้านเราไปแกก็เหมือนคนกึ่งหลับกึ่งตื่นในหัวนึกถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นอยู่ตลอดเหมือนคนจะหลับในรถจะลงข้างทางอยู่สองสามรอบก็ตั้งสติขึ้นมาได้จนครั้งสุดท้ายแกก็หลับไปจริงๆตื่นอีกทีก็ที่โรงพยาบาลเลย นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างของความเฮี้ยนของเธอเท่านั้นช่วงสองสามปีหลังจากที่เธอเสียชีวิตบริเวณนั้นก็เกิดอุบัติเหตุและมีคนเสียชีวิตบ่อยคนเริ่มพบเจอเธอน้อยลงแต่ก็ยังเจออยู่บ้างจนกระทั่งขบวนล้างป่าช้าของมูลนิธิแห่งหนึ่งกลับจากล้างป่าช้าที่ชนบุรีแล้วผ่านมาทางนั้นพอดี พอถึงจุดที่เธอเสียชีวิตจูๆ่ๆเสียนก็บอกให้หยุดขบวนรถมูลนิธิจอดเรียบไหลาทางยาวเป็นแถวชาวบ้านก็ออกไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นรวมถึงแม่เราด้วยเสียนที่มากับขบวนบอกว่าตรงจุดนี้มีวิญญาณที่รอการช่วยเหลือเลยเชิญวิญญาณเธอกลับไปด้วยเพื่อไปทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ ตามธรรมเนียมจีนรวมกับกระดูกของศพรรยาตรายอื่นๆที่นำมาจากป่าช้านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครเห็นเธออีกเลยยายยังเล่าเสริมด้วยว่าวันที่ตาออกไปดูศพพอเห็นร่างสาวญี่ปุ่นรายนั้นแกคิดว่าเป็นลูกสาวตัวเองแน่ๆใจก็เลยไม่ดีอยู่แล้วพอแกไปดูหน้าของศพชัดๆ ก็โล่งใจที่ไม่ใช่ลูกสาวตัวเองแต่ใบหน้าที่ขาดออกจากลำตัวมาแล้วกลับยิ้มมุมปากให้แกแกก็เลยกลัวมากเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาได้ที่ลิงก์ Facebook f a n p เ g จ เรื่องเล่าผีหลอนที่ใต้คลิปนี้นะครับ